หัวข้อทุกขะสมุทัยอริยสัจความจริงเกี่ยวกับต้นเหตุทุกข์ดูก่อนภิกสุทั้งหลายก็ทุกขะสมุทัยอริยสัจเป็นชนไหนตัณหานี้อันใดมีความเกิดอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาดูกนภิษุทั้งหลายก็ตัณหานีนั้น เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่ไหนเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้อะไรเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี่ เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ณที่นี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะธ ร, รมารมเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้จักขูญญวิญญาณโสตวิญญาณขานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณ เป็นที่รักที่จเจริญในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้วิญญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะคู่นั้นๆประจวบกระทบกันจะขุสัมผัสโสตาสัมผัสคานาสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้ เม we ื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้จกขูสัมผัสสัชาเวทนาโสตสัมผัสสัชาเวทนาขานะสัมผัสสัชาเวทนาชิวหาสัมผัสสัชาเวทนากายะสัมผัสสัชาเวทนามโนสัมผัสสัชาเวทนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ หมายเหตุสัมผัสสชาเวทนาคือเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะผัสสะในคู่อายตนะนั้นนนรูปสัญญาสัทธสัญญาคันญญาญญาธาสัญญารสัญญาพุทธพาสัญญาธรรมสัญญาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกปัญหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้หมายเหตุ สัญญาคือความหมายรู้ในอายตนะนั้นๆรูปสัญเจตนาสัทธสัญเจตนาคันธสัญเจตนารสสัญเจตนาโพธภสัญเจตนาธรรมสัญเจตนาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้สัญเจตนาคือความคิดอ่านในอายตนะภายนอก ซึ่งเกิดต่อจากสัญญาทางอายตนะนั้นๆรูปตันหาสันทตันหาคันทัตตันหารสตันหาพุทธภะตันหาธรรมตันหาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้หมายเหตุตันหาคือความทยานอยากเข้ายึดมั่นอายตนะนั้นๆ รูปวิตกสัทธวิตกคันธวิตกรถวิตตกผดทพพวิตกธรรมวิตกเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้หมายเหตุวิตกคือความตรึกนึกในอายตนะนั้นๆรูปาวิจารสัทธวิจารคันธวิจารรถวิจารผดทพพวิจาร ธรรมวิจารเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้หมายเหตุวิจารคือความตรองความแนบใจอยู่กับอายตนะนั้นๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจ